โลกนี้ไปเป็น 30 ธันวาคม 2542 ที่หมู่บ้าน ณบัดนี้เราจะได้นอบไหว้ๆว่า เอ่อด้วยตกะอย่างไรดํริ เริ่มมีอารภธาตุอารัมภธาตุนิคมธาตุปรคมธาตุธรรมธาตุทิติธาตุทิติธาตุค่อยธรรมธาตุ ตัวๆๆๆนั้นถ้าผู้รู้เท่าทัน ความพยายามทุกคนหรือ ไปสู่กุศลพอเราตั้งพิทกุศลและแรงพยายาม อ่าบัดพระนะขอ Nakmo tatsak, pakawakto, Arhato, samma, samput tatsak. Nakmo tatsak, pakawakto, arahato, samma, samput tatsak. Nakmo tatsak, pakawakto, arahato, samma, samput tatsak. อ่าเจริญธรรมทุกๆคน <c oughs> อ่าสหัสวรรษของ 2 พัน 2 พัน 2 3 ที่ 3 พันที่ 3 มีคนกล่าวเหมือนกันว่าศาสนาอิสลามจะ คนจะเข้าใจถึงได้ลึก Dialectic แต่มีสภาพจริงอยู่ในความลงตัวนั้นมีสภาพจริงอยู่ในความลง มากพอสมควรจึงจะเข้าใจถึงสภาพ จะยืนหยัดยืนยันน้ำหนักเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ๆ คนมีมีปริมาณทั้งคุณภาพสูงขึ้นมากขึ้นมีโมนมากๆ ไปในทิศทางที่จะไปในทิศทางตรงสุดแต่ ก็ยังมีความไม่มั่นคงยังมีความไม่มั่นคงยังมี ค่อยๆนั่นขึ้นนั่นเป็นได้จนกระทั่งถึงขีด 3 เรียกว่า 4 สัมโพธิปรายนะถึงโพธิถึงเป็นเบื้องมี ถ้าเรียกอารยะมันก็เหมือนชาวตะวัน ยังมั่นคงนอกจากสี่นี้จะมีคุณลักษณะที่รู้จักโลกท่านโลกอบายในระดับกันนะนี่ๆอ่าตั้ง หลุดพ้นมาจากโลกนั้นโลกขีณะไอ้โลกนิริยะนิรยะเรียกว่านรกอ่าก็คือเปรต จนภูมิเดี๋ยวปสาสะปะดีฮะอะไรนะไม่ใช่อบายอ่ะกีนาปายะทุกขติวินิบัติ อัตมะวินิปาตะเนี่ยแปลว่านิริยภูมิเปตะภูมิติรัจฉานภูมิ อ่าคีนะอคีกีนาปายะอวินิบาตไม่ใช่ทุกขติวินิบาตเนี่ยภูมิเนี่ยเรียกว่าพ้นอบายภูมิ 4 จิตวิญญาณตกอยู่ในภูมิเตรดเป็นอย่างไร อ่าคุณลักษณะของโสดาบันเนี่ยจะต้องรู้จัก สมณะหรือพระเนี่ยไม่มีอาเทศนาปาติหารแล้วไป ที่เป็นราคะนี่จางคลายลงไปแตกได้ เพราะ ฉेत โปริญาณเรียกว่าตาทิพย์ ซับซ้อนรับความใจต่างๆปาติหารพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชิกุชชามิอทิฮารายาอัตตยามิฮารายามิอืมชิ ท่านไม่ชอบใจในสิ่งเหล่านี้เลยท่านเองมีชอบใจในสิ่งเหล่านี้เลยท่านห้าม เกิดตาทิพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการ มีความสามารถวิเศษตามคำสอนเรียกว่าปฏิหารตามคำสอนได้ด้วย มีความเชี่ยวชาญในเจโตปริยานมากเรื่อยๆตามลําดับๆนี่เป็นตาทิพย์จึงเรียก นี่คือคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าที่สอนและเอา สุขอย่างโลกิยะก็แบบนั้นเคยสุขมาทุกคนน่ะสุข ปรโลกปรโลกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรโลกแบบฤๅษีหรือศาสนา 5ๆ แต่ของพุทธเจ้านั้นโลกของพุทธเจ้านั้นคือโลกโลกุตระเรียก เกิดมาใหม่เกิดในร่างเดิมจะจิตเกิดใหม่จิตต้องเกิดจริงนะถ้าไม่ แม้ทุก 29 ปีอาตมา 29 30 30 30 ปี 30 นะอาตมาทำงานมา 29 ปีพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ามา อยู่จักแม่มาเจ้าลูกนกเข้ามันบอกว่าแม่ตาเจ้าคือบ่ใหญ่แท้ไอ้ ต่างคนต่างทักตากันเขาก็ว่าเราผิดเราก็ว่าเขาผิดทักตากันเนี่ยเค้าก็ว่าเราผิดเราก็ คุณภิสูจน์จนนั่นอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองเป็นอ๋อมันเป็นเช่นนะแล้วได้ เพราะมันเป็นจนเป็นอัตโนมัติแล้วและมันก็เป็นของตัวเราเองเป็นจนเป็นอัตโนมัติแล้วแล้วมันก็เป็นของมันอยู่ในตัวเราเองเราเอง เพราะมันมีอยู่ในนี้ไม่งงไม่เฉียงใครๆที่เรามีอยู่ที่ เห็นจริงรู้จริงนี้เค้าบอกว่าเอ็งไม่มีหรอกอย่ามาโกหกแล้วก็ ทำไมล่ะประท้วงเลยอ่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท้าให้พิสูจน์ถึง แม้ 2500 กว่าปีแล้วปีแล้วปีนี้ 25 43 เป็นตัวเลขที่ 543 ปีเรียก 543 เลข 2 นั้น 2 มัน ถ้าเอา 2 มาต่อตรงๆมันก็ 2 มันอยู่ 2543 อ่า 543 ปีมันๆอีกงาม จะ 5 543 หรือคือ 2543 ล่ะนะสําคัญเหมือนกันปีมา 5 2543 จะมีอะไรเกิดใหม่อะไรเกิดใหม่ๆจะมีอะไรเกิดให้ดูๆใหม่ๆมีอะไรที่ไม่เคยมีๆ <c oughs> อาตมาพูด 43 เนี่ยไปคอยเออก็คอยหาเรือเอา เรื่องของชีวิตกับงานชีวิตกับสัจธรรมอ่า นะสรอาตมาก็เกริ่นไปพอสมควรนะ ถ้าคนไม่ทํางานไม่ทําอาชีพใส่เครื่องหมาย เพราะอย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงตนช่วยตนเองได้ต้องมีประโยชน์อย่างน้อยก็ต้อง นะเอาฟังอีกเที่ยวนึงหรือหรือ ไม่ใช่คนแต่คือใช่คนแต่นี่หมัดต้นหมัดแรกถ้านักมวยก็เรียกว่าจะพูดเพราะ อย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงตนช่วยตนเอง ทำไมเราพูดอย่างนั้นที่เราต้องพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะที่เราต้อง ประโยชน์คุณค่าในโลกนี้ทั้งโลกอ่ะคน แต่ดีๆคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยโลกกว่าเดรัจฉานนะสามารถที่จะช่วยโลกตัว การปฏิบัติกรรมดีทําลายคนดีๆอกุศล ถ้ารู้จักความเป็น บังคับให้ทําชั่วก็ต้องถูกเข้าฆ่าตายเป็นอย่างนั้นเองโดยอัตโนมัติทําชั่วไม่ เรียกว่าไม่เป็นอื่นไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอตตตตาอวิชตะตาอนัญญตตาอวิชตะตาคือไม่ เพราะคนที่อาตมากล่าวนะเป็นสู่ให้ฟังอันนี้ เดี๋ยวจะพูดว่าได้ฟังไปด้วยกันแล้วๆเนี่ย มันตัวมันใหญ่มหาสารขนาดนั้นก็ขี่คอมันคมใหญ่ ปลาวานก็มันไม่จะดุเท่าฉลามคนก็ยังเอามา อากาศสร้างโลกด้วยจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนี่แหละคือพระ เห็นอย่างนั้นจะมานานแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนา อาตมาๆจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าอะไรล่ะต่อไป เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าที่ว่ามีพระ 1 เป็นพระผู้เป็นจิตปัญญา ซาตานนี่ก็คือจิตวิญญาณแฝงตัวอยู่ในจิต พระเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมท่านรู้แจ้งอันนี้ เกิดมาเป็นประโยชน์แก่โลกโลกานุกัมปายะเป็นผู้อุ้ม นี่ในตัวเราคนทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้เรื่องยอดเลิศของพระฤาชใน อรหันต์เรียกว่าหมดหมดเลี้ยงไปจับจิต รู้เท่าทันโลกิยะแล้วอยู่เหนือโลกิยะจึงเรียก โลกิยะไม่เห็นตัวตนอะไรไม่ได้อ่าไม่เห็นตัวตนเป็น invisible. invisible soul invisible อินวิซิเบิลๆ เพราะงั้นโลกจึงทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกตัวท่านโลกจึงทําอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ เป็นสิ่งที่เป็นบาปทั้งหมดเรียกว่าสัพพปาปัสสะอกะระณังฝึก คือความชั่วที่อาตมาเลิกมาได้หลายชาติแล้วภพรูป ไปร้านถ่ายรูปนะไม่ใช่ถ่ายเองนะร้านถ่ายรูปที่ก็เปิดร้านถ่าย โอ้โหน่ากลัวเท่ละอ่าหัดสูบบุหรี่อาตมาหัดสูบจนกระทั่งโอ้โหสูบบุหรี่ บุหรี่กาคองกาอะไรบอกว่าสูบบุหรี่ไทยไม่ติดหรอกต้อง แต่เค้าก็ทํางานพัฒนาราคาราคาราคาเค้าเรียกอะไรราคาพวกทีมอ่ะพวกทีม 5 5, 5, 5 สูบไม่เคยหมดกระป๋องมีแต่เพื่อนมันเอาไปสูบเราสูบไป Hennessy 1 Hen ขวดกับแม่ 2 ขวดอ่า Hennessy 1 าร, ล, ไป, ไป, Hen 2 หมดเฮนซี่แล้วมันก็เลยไม่หยุดมันก็เลยสั่ง สมติมีนั่งตุ๊บตุ๊บหัวฟัดหลังอาตมาไปงี้ตอนไปถึงบ้านให้เค้าลากขึ้นบ้านเสร็จ ทำยังไงก็ทํามันก็ไม่ติดนี่น่ะมาๆเรื่องผู้หญิงก็เหมือนกันโอ๊ยก็ แต่จะช่ไกแจกไปอย่างคนอย่างเนี้ถูกผู้หญิงก็หลอกใช้ตาพฤธไม่ได้เหลือเนี่ไม่เหมือนเขาเขาโอโอมีแฟนคนนั้นัคนนี้เราลึกๆึกหน่อยไปได้เสียกับคนนั้น่นคนนี้คนนั้นคนนี้มีลูกมีเต้ามีอะไรเมื่อหลายคนไอ้เราไม่ได้แฮมันไม่กล้ามันเออทําไมเรามันยังนึกตเองนึกอะทําไมเราไม่กล้าทําไมเราไม่เหมือนเขามันเพื่อนมันมาคุยหม่ ผู้ชายได้คันน่ะใคร่รู้ดีอาตมาพูดๆไม่เก่งไม่กล้าทําไม่กล้าละเมิดไม่กล้าบ้าบอ ตอนหลังมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมแล้วถึงโอ้โหบุญนะที่มันไม่พลาด แต่อาตมาว่าจริงๆอาตมาไม่มีจิตกระเทยไม่มีจิตอะไรมันไม่มีจิตอื่นเลยผู้ชาย รู้ว่าโกงมันทําไม่ลงคอร์รัปชันคอร์รัปชันไม่ได้มันชั่วเพราะ ถ้าสอนจริงแล้วเราก็มาพิสูจน์พิสูจน์กรรมพิสูจน์วิบากพิสูจน์กรรม เป็นรองอยู่อยู่ๆๆดีจริงๆนะอยากอยากเป็นพระเอกละคร ไม่เคยได้เป็นพระเอกของเขาอ่ะเป็นตัวสําคัญในเรื่องเหมือน เพราะงั้นคนเราถ้าไม่พิสูจน์สัจจะแล้วเราจะไม่รู้จะไม่เชื่อ ฝีมือเยี่ยมฉลาดเยี่ยมวางแผนเยี่ยมคอร์รัปชันได้เป็นล้านหลายล้าน 10 ล้าน 100 ล้านหมื่นล้านคอร์รัปชันได้เยี่ยมไม่มีใครจับ ปกปิดความสามารถเก่งมีฝีมือความสามารถกรรมมงคลคุณเก่งๆ<ได> แล้วอกุศลกรรมมันไปกับคุณมั้ยไม่รู้อีกกี่ชาติจน ทำแล้วไม่ทําไม่เอาไปทําในที่ลับคน <c oughs> เจมที่สุดเลยยิ่งกรรมจัดๆหยับ จิตนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นฐาวรคุณต้องสร้างนะไม่มีใคร นะเรายิ่งชาติ 500 ชาติ จะว่าได้ทําไม่เป็นเลยเพิ่งรู้จักและเค้า ทำแต่ดียังแต่ดีให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึง นั่นแหละเมื่อนั่นแหละเป็นของจริงเมื่อนั้นแหละเป็น 29 ปีมีโลกุตระบุคคลประกาศเลยประกาศต้อน 2000 2543 โลกุตระมีเป็นโลกุตระบุคคลทำบาปไม่เป็นๆไม่ไปติดโลกียะยากๆไม่ พอบอกเรื่องหัวแล้วโอ้โหมันคั่นหัวใจไม่ได้อ่าเมื่อวานนี้ๆแน่หน่อย บอกตัวดีๆของเจ้าน่ะให้เศร้าจะจะไปคิดตอบว่า เคยติดมาบางคนไม่ติดก็ได้ฟรีบางคน แม้ว่าจะมีเชื้อเรียกว่าชาตินี้ไม่เกิดอีกแล้วต้องล้างมันไม่เกิดอีกอีกเพราะมัน อ่าขอรอขอให้ตั้งใจศึกษาเอาล่ะอาตมา